236รากรรมเป็นของของตนเองแท้ๆแต่คนก็วิปลาดได้กรรมที่เป็นของของตนกรรมมสกะจึงเป็นที่พึ่งจริงยิ่งใหญ่กรร ม, มปฏิสรณะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอาตาหิอาตโนนาโถ อันจะต้องศึกษาให้ลึกซึ้งถึงตั้งแต่กรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันทุกรรมปฏิสารโนกรรมที่เป็นของของตนกรรมสกัแล้วตนต้องรับมรดกกรรมที่ตนทำทั้งสิ้นกรรมทายาท เพราะกรรมที่เราทําเราก็ต้องเป็นทายาตรับมรดกกรรมของเราเองแบ่งมรดกกรรมให้ใครไม่ได้ไม่ว่าบาปหรือบุญผู้แบ่งบุญจึงมิฉาทิฐิเท่ากับโกหกกันดังนั้นใครทํากรรมบาปหรือทํากรรมชั่วไว้เป็นวิบาก ผลกรรมที่ทำเสร็จลงเป็นของของตนก็เป็นมรดกชั่วของคนทำเองคนทำนั้นก็ต้องเป็นทายาทมรดกชั่วของตนเองคนผู้ทำนั้นก็ต้องได้รับมรดกชั่วของตนช่วยหมายกระนั้นคนก็ยังวิปลาสกันได้อยู่เลย ส่วนกรรมบุญหรือกรรมจำรละกิเลสนั้นค่อยๆพูดขยายความกันไปเรื่อยๆเพราะคำว่าบุญนี้ได้เข้าใจผิดกันมาถึงยุคนี้ไปกันใหญ่แล้วพาการมิจฉาทิฐิในเรื่องบุญจนเกือบหมดสิ้นแล้วใครจะบังอาจโกงสัตว์จะพลิกจากมรดกกรรมชั่ว เป็นมอรดกกรรมดีไปได้อย่างไรศาสจาก็ต้องเป็นความจริงคงที่ไม่เป็นอื่นกรรมที่ทําแล้วก็เป็นอันทมใครจะเปลี่ยนกรรมที่ทําชั่วแล้วให้กลับมาไม่มีการทําพูดให้การทําชั่วนั้นมาเป็นการทําดีจะเป็นได้อย่างไง ก็ในเมื่อทำแล้วอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วจะเปลี่ยนกรรมที่ทำแล้วนั้นไปเป็นสัจจะอื่นจากที่ไม่ได้ทำจะเป็นได้ไงหากทำกรรมใหม่ก็เป็นกรรมใหม่นั้นที่เป็นกรรมอีกครั้งใหม่ถ้าทำดีเป็นอีกกรรมหนึ่งก็คนละกรรม